มีความเข้มแข็งขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจหลังจากที่เราได้ร่างกายและถูกโสมด้วยรดอาหารรดปรุงแกงทั้งหลายเนี่อร่างกายเราเสื่อมเพราะนั้นวิธีการก็คือจะต้องมาลดความอยากก่อนถ้าไม่ลดความอยากนี้เดึงลดอาหารลดความสะดวกสบายเนี่ยมันลดไม่ได้นะมการมาทําวิปัสนาคือการมาทําลดความอยาก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 มาตัดรากฝ อ, อยมันก่อนเรารู้ว่าร า, ากแก้วของกีเล็ตไปอยู่ตรงไหนนะถ้าเราไปตัดรากแก้วมันไม่ไหวมันรากใหญ่เกินไปลกักใหญ่เร <c oughs> ก็มาตัดรากฝ อ, อยไปเรื่อยๆจนตัดถอนรากฝ อ, อยไปเรื่อยๆรากแก้วมันก็จะตายไปเองเพราะไม่มีอาหารมีมีน้ำเลี้ยงเพราะนั้นรากฝ อ, อยของความอยากคืออะไร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 ถ้าเรานั่งไปแนะนำก็จะมีสองอาการที่ได้บอกไปเมื่อวานคืออาการสบายและไม่สบายอาการสบายเราอยากจะตัดมันไหมไม่เสบอยู่นะอาการไม่สบายเป็นไงหนีนะไม่ใช่จะควาจริงเราต้องปฏิบัติต่ตอสองอาการเนี่ยเท่าเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันคืออาการของความสบายก็ไม่เสบ อากาศของความสบายก็ไม่เสพการหนีคือ ก, การเสพความสบายการไปควา้าไปจับไปฉวยไปยึดนั่นคือการเสพความสบายการไปห น, นีไปผลักไปดันไปกดไปบีบไปไล่นั้นมีการเสพความไม่สบายภาษาของเขาเนะี่ยดังนั้นเราก็ปฏิบัติทั้งสองอย่างเนี่ยการความสบายเราก็ไม่เสพการเสพความสบายเราเ ร, าเรียกว่าอะไร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 เราะนั้นก็เป็นการช่วยกันเพื่อดูแลรักษาแล้วก็โทรศัพท์ก็คงตามพิธการใช่ไหมโ ย, ยมสักลงทะเบียนแล้วก็เอาโทรศัพท์ไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมโอ้เป็นพี่เป็นไฟมากโทรศัพท์พ่อคนงานของพ่อมันทํางานเออให้มันใช้โทรศัพท์อ้าวปะปุ๊ดดมันก็ระบาด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 ไม่ปลอดภัยแล้วนะเพราะนั้นความอยากเป็นวัตถุดิบความอยากไม่ใช่ข้ายศิษยัตรูไม่ใช่อุปสรรคแต่เป็นวัตถุดิบที่จะต้องเอามาแปล ร, รูปเพราะนั้นเราแปล ร, รูปของความอยากมาเป็นความรู้สึกตัวจะปลอดภัยแปลความกามารัญหามาเป็นศีลแปลพวะวตัญหามาเป็นสมาธิแปลวิพวตัหามาเป็นปัญญานะ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 เมื่อเห็นแล้วถ้าเราคิดไปมันก็เป็นนามรูปถ้าเราไม่ได้คิด เ, เฉยๆก็เป็นรูปนามแล้วดีแล้วทาไมต้องหาวเลยลหาวเพราะว่าเราเพลินพอเพลินแล้วไม่ได้ตามรู้พอไม่จารู้ปั๊บมันเป็นเพลินก่อนเพลินก็จะแปลงค้าเป็นหาวหาวก็จะเป็นค้าเป็นง่วงง่วงก็จะเป็นค้าเป็นมูหะมันก็จะตามสายขึ้นมาอย่างนี้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 มันเริ่มเป็นยาพิษตรงนั้นเพราะฉะนั้นตัวอาการที่เราตอบสนองต่อกายนี่เป็นธรรมแต่ตอบสนองต่อจิตนี่เป็นทําเมื่อคืนนอนหลับไหมลูกหลับใช่ไหมไทำไมมาง่วงอีกอะ <c oughs> ยืนกัง่วงเลยนะเธอเพราะฉะนั้นเราก็ศึกษาตรงนี้ให้ดีว่าเวลาสบายคุณมีสิทธิสบายความรู้สึกสบายนะั้นมันเป็นยาชนิดหนึ่งเป็นยาที่มี